บุตผู้ครองเรือนคนใดคนหนึ่งที่ชื่อว่าบุตรข้าบดีได้แก่บุตรและพี่ชายน้องชายคนใดคนหนึ่งคําว่าภิกษุณีนั้นได้แก่ภิกษุณีผู้อยู่ครุขครีคนใดคนหนึ่งคําว่าอันภิกษุณีทั้งหลายได้แก่ภิกษุณีพวกเืิดภิกษุณีผู้ได้เห็นได้ทราบเพื่ว่ากล่าวตักเตือนภิกษณุณีผู้ครุขครีว่าน้องหญิงท่านอยากครุขครีกับข้าบดีหรือกับบุตรข้าบดี น้องหญิงจงแยกกันอยู่เถิดสงย่อมสรรเสริญการแยกกันอยู่ของน้องหญิงเท่านั้นพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละต้องอบัตทุกข์กดภิกษุณีผู้ทราบเรื่องแล้วไม่ว่ากล่าวตักเตือนต้องอบัตทุกข์กดภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงนําตัวมาสู่ถ้ำกลางสงว่ากล่าวตักเตือนว่า น้องหญิงเธออยากคุกคลีกับข้าบดีหรือกับบุตรข้าบดีน้องหญิงจงแยกกันอยู่สงย่อมสรรเสริญการแยกกันอยู่ของน้องหญิงเท่านั้นพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตัเกเตือนเธอแม้ครั้งที่สามถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สลดัดต้องเอาบททุกข์กดงพึงสวดสมรพั ภ, ภิกษุณีนั้น